ทำให้เลึกชาติได้พอเลึกชาติได้ท่านก็สลดใจนะท่านก็เจริญธรรมะต้นหลังก็ไปบวชเป็นพิสุนียีแล้วก็บรรลุเป็นพระราห์น่นนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเหล่านี้ก็ต้องอาศัยศรัทธาแล้วก็ปัญญาแล้วก็รู้เหตุผลว่ายังไงเนี่ยเราก็ต้องแก่เจ็บแล้วตายการที่ยุงมากัดเราเนี่ยเราจะบำเพ็ญกุศลอะไรให้เจริญขึ้นได้ในขณะนั้นทานให้ได้ไหมให้เลือดได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ นะถ้าไม่ได้กูศอนขั้นอื่นล่ะศีลล่ะได้ไหมนะเมตตาได้หรือเปล่านะบารมีมีตั้งสิบอ่ะทั้นเจริญบารมีอะไรได้บ้างกับยุงหรือว่ากับหนอนใช่ไหมได้หรือเปล่าเอาเอาหนอนก็เป็นอารมณ์กูสอได้ไหมโยมได้หรือเปล่าได้ต้องให้อาหารหนอนไหมโยมก็ให้ทุกวันอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมทีเดียวไม่มีเจตนาในการให้เท่าไหร่อ่ะใช่ไหม ถ้าเกิดเรามีเจตนาสักหน่อยหนึ่งเออนี่มันก็ยังเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นนะนะมีที่หนึ่งท่านแสดงไว้ว่าอาหารที่เหลือที่เราจะล้างจานเนี่ยอย่าทิ้งไปเปล่าๆนะให้เอาน้ํากลัว้วเสร็จแล้วก็ดูในที่นั้นว่านะขอให้สัตว์ที่อยู่ในบริเวณนี้อิ่มหนําด้วยเศษอาหารนี้แหละอันนี้ก็ยังผู้เจ้าก็ยังแสดงไว้เลยอะอรรถฐานท่านยกมาแสดงไว้ ก็แสดงว่าเนี่ยการทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถที่จะน้อมจิตไปให้เป็นกุศลได้นั้นคำตรัสที่แสดงว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่ก็ทั้งยุงไม่ก็ทั้งหนอนเนี่ยก็เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นอะไรเราถ้าเกิดเขาไม่ได้มาเกี่ยวข้องอะไรกับเราเนี่ยนะทำไมเราจะต้องไปคิดถึงเขาด้วยละ่ะก็มีเรื่องที่ต้องคิดเยอะเลยใช่ไหมทานเราก็สามารถที่จะทําได้ศีลก็รักษาได้อบรมเจริญสมถะวิปัสสนามีมากมายกุศลมากมายแต่ถ้าเขามาเกี่ยวข้องกับเรา เราจะคิดยังไงให้จิตเป็นกุศลนั้นก็เป็นแนวความคิดอย่างหนึ่งอะนะที่จะทําให้กุศลในเป็นไปในไตรสิกขาเจริญขึ้นเจริญขึ้นเช่นพออเ อ, เ อ, เอตรงนี้ตรงนี้ก็ทําให้มองมองได้แล้วนะโยมว่าจริงๆถามว่ากรณีที่หนอนก็ดีกรณีที่ยุงก็ดีที่ท่านอาจารย์มาสุพลพูดถึงเรื่องของยุงกะแล้วก็เคยเป็นแม่เป็น ที่ยิงตรงนี้ตามหลักคำสอนกล่าวอย่างนั้นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งซึ่งเห็นก็คือเรื่องที่พระเป็นเปรตเล่นไอ้ที่เป็นเลนใช่นสมัยที่พระบรมศาสดายัางทรงดารงชีพเปพระชนอยู่เนี่ยภิกษุรูปหนึ่งก็ที่เชตวันตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเลนในจีวรของตนอันนี้ก็ชัดเลยนะทีนี้ในชั้นของตรงนี้พระพุทธเจ้าสอนตรงนี้เพื่อภิกษุเนี่ยถ้าเรามองอย่างนี้นะว่า ทั้งๆ ท, ที่เกิดตัณหาคือความยินดีอไอ้ตัวตัณหาคือความยินดีคือความเพลิดเพลินในสิ่งใดไอ้เจตนากรรมก็เกิดร่วมกับตัณหานั้นด้วยทั้งๆ ท, ที่ตัณหาในขนาดนั้นดูไม่น่าจะครบกรรมรบทใดๆยเยอะแต่ถามว่าทําไมตัณหาหรืออบาปอากุศลที่มันเกิดได้ช่องแม้ในขนาดนั้นทําไมจึงเป็นตัวเปิดประตูแล้วให้อกุศ ล, ลกรรมที่ในอดีตที่ไม่มีโอกาสให้ผลจึงมีโอกาสในการให้ผลเป็นต้นได้ โอกาสในการลงอบัยภูมิได้เลยอย่างนี้ก็มองเห็นได้ชัดขึ้นถามว่าการคิดเห็นมุมของการเกิดหรือจากการที่เป็นมนุษย์ก็ดีแล้วกลายมาเป็นอบัยสัตว์หรือเก็ไปเกิดเป็นเลนเลยอย่างนี้เป็นต้นหรือจากมนุษย์ก็ดีนะที่ไปลงเป็นสัตว์นรกใช่ไหมนั่นหนักกว่าเลนอีกใช่ไหมซึ่งก็ลงไปเยอะมากหรือกรณีที่ว่า หตายจากมนุษย์แล้วไปเกิดเป็นสัตว์นรกตายจากมนุษย์แล้วไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานตายจากมนุษย์แล้วไปเกิดเป็นเปรตหรือเป็นอสุรากายอย่างนี้เป็นต้นหรือจากเทวดาเนี่ยอย่างเช่นบริวารของสุพรหมเทพประบุเนี่ยห้าร้อยเนี่ยเก็บดอกไม้อยู่ดีๆตายจากเทวดาแท้แท้แต่ลงนู่นน่ยยันอเวจี G, มหารนรกเ่ยจากญาติญาติกันแท้แท้เกี่ยวข้องกันแท้แท้นี่นีจาก500รนี่ลงอเวจี G เลยทั้งๆ้ที่ก็ไม่น่าไปทําอนันตรกกรรมอะไรนี่ก็บ่งบอกถึงว่าชาวนะดวงที่6ถึงดวงที่7 เมื่อมีโอกาสให้ผลขึ้นมาก็ก็ให้ผลในพบที่สามเป็นต้นไปได้แล้วก็ยังมีกําลังพอในการที่จะนําลงเอ า, เอาเวจีได้ด้วยตรงนี้ถ้าเรามองอย่างนี้จะเห็นว่าก็ควรที่จะเจริญกุศลอย่างๆิฉะนั้นเมื่อเราเห็นหมู่หนอนเห็นหมู่ยุงเห็นหมู่แมลงทั้งหลายเหล่านี้เห็นหมู่ใบรรยสัตว์ทั้งหลายที่มากมายเหลือจะคนานับเนี่ยต้องเกิดความสะดุ้งสะเทือนนั้นส่วนหนึ่งในสังสารวัตร และอีกอย่างหนึ่งถ้าเรามองในชั้นของคําสอนอีกอย่างหนึ่งเราจะเห็นนะเห็นบอกว่าที่ว่าในชั้นของคําสอนพระเจ้ากล่าวถึงในเรื่องของปัจจยามิตรอมิตรคือปัจใจสี่โลกามิตรอมิตรก็คือเกียรติยศชื่อเสียงทั้งหลายเนี่ยนะแล้วก็วัตตามิตรอมิตรก็คือวัตตะในทางที่ดีทั้งหลายเหล่านี้อันนี้ก็ล้วนจะเป็นเหยื่อใช่ไหมอามะศัพท์นี้ในความหมายอย่างหนึ่งที่แปลว่าเป็นกลิ่นคราวของกิเลส หรือว่ากินดิบเหมือนอย่างอามาคันธสูตรเนี่ยก็คือกลิ่นคราวของกิเลสแท้จริงไอ้ตัวกลิ่นตัวเนี้ยไอ้ตัวเข้าไปยินดีเนี่ยเพราะไอ้ตัวตันหาไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆเขามีเวทนาในนั้นด้วยมีสัญญาอยู่ในนั้นด้วยมันก็ยินดีแล้วก็เพลิดเพลินแล้วก็ไปยึดแล้วก็ไปติดในสภาพเหล่านั้นขึ้นมาถ้าเรามองอย่างนี้ก็จะทําให้มีความรู้สึกว่าสัตว์ทุกประเภทเราควรที่จะมเมตตาเขาจริงๆแล้วควรจะมีความรักความปรารถนาก็จริงๆว่า แม้ในขันในร่างกายของเราเนี่ยถ้าเราดูเนีว่ามีหมู่สัตว์ตั้ง80ดิตระกูลเนี่ ย, ยหมูหนอนทั้งหลายที่อยู่ในกระดชกายอันยาวาหนาคืออันเปื่อยเน่าเนี่ยสรุปให้เห็นชัดว่าตรงนี้ก็เป็นทั้งเรือนเกิดเป็นทั้งเรือนตายเป็นทั้งส้วมใช่ไหมเป็นที่ผสมพันธุ์ของเขาเป็นโรงพยาบาลของเขาก็อยู่ในเนี้ยอยู่ในกราชกายเต็มไปหมด ในขณะที่เราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็แล้วแต่ในบรรดาสัตว์ทั้งหลายเป็นจํานวนเป็นหมื่นที่อยู่ในจหรือมากกว่า น, นั้นเนี่ยที่อยู่ในขันในรูปขันของเราทั้งหลายเหล่านี้นตอนนี้เขากำลังทํากิจกรรมกันมากมายเลยนะทั้งบาปทั้งบุญต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากมายยั่วเยี่เต็มไปหมดนะถ้ายอมอยากจะรู้ว่ามีจริงหรือไม่เวลาตายก็สั่งลูกเขาไว้สั่งลูกเขาไว้ก็ลองว่าอัดเข้าไปในศพอย่างในโรงอย่างดีเลยนะจะใช้เหล็ก อัดอย่างดีก็ได้ไม่ต้องมีให้แมลงเข้าไปได้ก็ได้ถ้าเจ็วันแล้วก็เปิดดูมันมาจากไหนเต็มไปหมดมันจะกลายเป็นหนอนตัวใหญ่ๆเต็มไปหมดเลยอันนี้อันนี้ลองพิสูจน์ดูแล้วเนี่ยเอาศพที่ที่คนเขาต้องการเก็บก็เอาอัดดูที่เจ็ดวันเนี่ยพยายามจะไม่ให้อะไรเข้าไปเลยทั้งเอาอะไรอัดอย่างดีกันเลยพระลองทํากันดูหนึ่งๆพะเปิดเข้าจริงก็โหหนอนเต็มไปหมดเลยเนีย่อันนี้บ่งบอกถึงอะไรเนี่ยใบยาสั่นเต็มไปหมดนะเนี่ยถ้าอย่างเนี้ยถ้าถามว่า ถ้าเราเห็นพุทธญาณหรือเข้าใจที่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้เบียเสร็จเนี่ยอาจารย์สุพองว่าเอ๊ะจะรักเราจะมีความเชื่อยอย่างไงใช่ไหมตรงนี้ถ้าถามจะเชื่อยอย่างไงนี่ก็ต้องหนึ่งกรรมและผลของกรรมต้องชัดแล้วไอค้คําว่ากรรมสกตาสัมมาทิฏฐิเนี่ยเชื่อกรรมและผลของกรรมไอค้ความไม่เชื่อเนี่ยมันเป็นวิจิกิจฉาใช่ไหมแต่ความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในกรรมและผลของกรรมเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระรัตนตรัยตัวเนี้ยอันนี้เป็นไปกับปัญญาด้วยนะ นั้นปัญญาที charged, that, ่ไปพิจารณาไปเข้าใจกรรมและผลของกรรมด้วยแล้วก็เกิดความเชื่อมั่นในคําสอนของพุทธเจ้าอย่างอย่างมั่นคงด้วยความเชื่อมั่นอย่างมั่นคงตรงนี้ก็เลยไปเชื่อพระสัพพัญยตยานของพุทธเจ้าเมื่อเชื่อพระสัพพัญยตยานของพุทธเจ้าก็ไปเห็นพระจริยาคุณไปเห็นคําสอนของคําสอนของพุทธเจ้าขึ้นมาก็มาตรวจสอบพอเริ่มพิจารณาเรื่องเหล่านี้วิจัยเรื่องเหล่านี้มากขึ้นมากขึ้นน่ยความแนบแน่นความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระราตนะไตรในกรรมและผลของกรรมจะชัดขึ้น เมื่อปัญญาเข้าไปรู้กรรมและผลของกรรมในชัดเจนขึ้นมาแล้วเนี่ยความกระตุ้นเตือนในการเชื่อมั่นก็จะเกิดขึ้นมาแล้วว่าโอ้นี่ไงพระเจ้าสอนอย่างนี้แล้วเราก็บุคคลที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยหาไม่ได้ง่ายเลยอย่างนี้เบ็ดเสร็จก็จะเริ่มมีความรักและก็ปรารถนาดีกับสัตว์อื่นเท่ากับรักตัวเองมากขึ้นสรุปตรงนี้ก็คือการเจริญพุทธคุณบวกกับการเจริญเมตตาหรือเจริญพรหมวิหาร ถ้าทําได้อย่างต่อเนื่องเดินจิตได้อย่างต่อเนื่องในที่สุดจริงความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระรัตนตรัยเชื่อมั่นในกรรมและผลของกรรมนั่นแหละจะมีความรู้สึกเชื่อว่าท่านเหล่านี้เกี่ยวข้องเราในฐานะต่างๆจริงๆและเราก็จะมีความรักความปรารถนาดีสัตว์อื่นเท่ากับรักตนเองถ้าเราดูอย่างพระโพธ่สัตว์ใช่ไหมตอนที่เกิดเป็นพญาช้างฉัตรทันอันนี้เป็นสัตว์เดรัจฉานใช่ไหม อันนั้นก็เกิดจากความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวของท่านนะที่จะได้มาซึ่งสัมมาสัมพุธิยาณท่านก็ไม่โกรธในขณะที่นายพานโสนุดรใช้เลื่อยตักใช่ไหมตัดจนหมดแรงแล้วท่านก็บอกว่าท่านหมดแรงแล้วรื้อสหายบอกหมดแรงแล้วนั้นท่านช่วยแบกงวงของเราขึ้นมาจับเลื่อยน้อยนายพานโสนุดรก็จับแบกงวงขึ้นมาจับที่เลื่อยแล้วท่านก็กระชากกระชากจนหมดแรงจนจนงาขาดออกมาพอเบ็เสร็จท่านก็มอบ มอบงาให้ไปแล้วยังไม่พอเนียยังให้พรด้วยนะ้ยังให้พรด้วยนะขอให้ท่านเดินทางจากออกจากป่านี้ให้ปลอดภัยจากมะลึกฆ่าจากภัยร้ายทั้งหลายในป่านี้เนะียแล้วก็ด้วยอนุภาพงาของเราคู่นี้ท่านจะไปได้ภายในเจดวันดึงเมืองทั้งๆ ท, ท, ที่ท่านมาตั้งเจ็ดปีเจเดือนเจ็ดวันอย่างนี้เป็นต้นหรือเกิดเป็นพยาพยาก ป, ปุติเป็นเป็ น, ปนลิงที่ว่าโดนทบหัวบ้างหรือโดนปะทุสลายต่างๆเหล่านี้ ถ้าเรามองนี้ก็จะเริ่มเห็นชัดเจนขึ้นว่าอือนี่ไงอบายศาสตร์มีพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเกิดมาไม่ใช่น้อยแต่ท่านมีธรรมสัญญาอย่างแข็งแรงอย่างมุ่งมั่นท่านเชื่อมั่นในกรรมและผลของกรรมท่านบอกว่าท่านตัดสู้แล้วจะให้บุคคลที่ปัทุสลายท่านตัดสู้ตามด้วยและที่สจริงท่านก็ทําได้สำเร็จจริงๆดิงยอันนี้ก็ถ้าเห็นตรงนี้ก็จะเริ่มมีเมตตาแล้วก็รู้สึกลักว่าอือนี่ท่านเหล่านี้เกี่ยวข้องเราในฐานะ ต, ต่างๆจริงๆเพราเขาไม่ไ ก็เหตุผลที่ท่านอาจารย์ว่ามาก็ยอมรับทุกอย่างนะครับแต่พอถึงเวลาจริงมันทำไม่ค่อยได้คือก็ยังเห็นยุงเป็นยุงครับนะครับยังไม่เห็นว่าเป็นเหมือนหน้าพ่อหน้าแม่สะทีนนะครับก็คงต้องใช้ปัญญามากนะครับต้องใช้ปัญญาแล้วก็การเชื่อในการตัดสรุปของปุโรหจตาเพราะว่าเราไม่ได้มีญาณไปยังรู้ไปยังเห็นโอ้คนนี้นะชาติก่อนเคยเป็นแม่กับเราอย่างนี้ดูอะไรอย่างนี้นะครับ ก็คงเชื่อการตัดสุดุลวิจ้าอย่างหนึ่งแล้วก็ด้วยปัญญาเราพิจารณานะครับ <c oughs> เรื่องกฎเกณฑ์ของสังสารวัฏ ต, ต่างๆน <c oughs> ในข้อต่อไปครับท่านอาจารย์ครับก็จะถามครับว่าการเกิดในมนุษย์หรือในสวรรค์อย่างไหนดีกว่ากันกับนมิมนท่านพระอาจารย์สุพลครับ <c oughs> น, นี่รบเลยเฉย นิมนต์อาตมาแต่ก็ไม่ได้ห้ามการนิมนต์ต่อก็เอาประเด็นเมื่อครู่นนิดหนึ่งพอดีนึกได้นะประเด็นที่ว่าเราจะยอมรับได้ยังไงเราจะมีวิธีพิจารณายังไงจึงจะยอมรับได้ว่าอสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเคยเป็นพ่อเป็นแม่ของเราอย่างนี้นะ ก็อุบายหนึ่งก็น่าจะคิดว่ามันเป็นทางของผู้ที่จะพ้นทุกข์นี่ยอจากที่ฟังท่านพระอาจารย์ปารบถึงปฏิปทาของพระุทธิสัตว์เนี่ยพระพุทธเจ้าผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าพระประเจก พ, พุทธเจ้าพระอริยสาวกทั้งหลายท่านยอมรับมตินี้มาแล้วท่านจึงพ้นทุกข์ได้ใช่หยมเราก็ต้องถามตัวเราแล้วเราว่าเราต้องการพ้นทุกข์หรือ ย, ยัง เพราะว่าในโลกนี้มันก็มีมติหลากหลายการมีความเห็นต่อเรื่องต่างๆสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะแต่ว่าวิสัยโลกทั่วๆไปถ้าเขามาทำร้ายเราเราก็จะต้องโกรธเขานะถ้าเขามาทำอะไรกับเราเราก็ต้องคิดทำาคืนเขานะแต่ว่าถ้าเขาทำคุณก็เราเราคิดทำาคือยากนิดนึงแต่ถ้าเขาทำไม่ดีก็เราเนี่ยแม้เราคิดกลับไปทั้งไม่รู้กี่เท่ายังไม่ยม อ, อันนี้คือวิสัยโลกทั่วๆไป นะแต่ถ้าเป็นวิสัยของผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสาวกทั้งหลายเนี่ยท่านยอมรับมตินี้มาก่อนแล้วก็พยายามน้อมจิตนะมันต้องค่อยๆทําจะไม่ยอมมันไม่ใช่เรื่องของการบอกว่าพอฟังปุ๊บหลักการเป็นอย่างนี้ปั๊บนะทุกอย่างลงตัวเป๊ะเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะมันเป็นเรื่องของการที่จะต้องค่อยๆสั่งสมอบรมนะซึ่งแต่ละคนก็จะต้องเช็คที่ตัวเองได้ว่า เราอยู่แค่ไหนยังไงสภาพจิตเราเป็นยังไงตรงนี้มันหลอกตัวเองไม่ได้นะก็เก็บเก็บคะแนนกันไปให้ดีๆโยม <c oughs> ส่วนประเด็นที่ถามมาว่าการเกิดในมนุษย์หรือในสวรรค์อย่างไหนดีกว่ากันถ้าอย่างมีศาสนาอยู่อย่างนี้ก็ เ, เป็นมนุษย์ก็ดีโยมมันบวชได้นะสำหรับคนที่ต้องการความสะดวกในการเจริญกุศลที่ยิ่งยิ่งขึ้นนะนะ นะเพราะว่าเทวดาเขาบวชไม่ได้นะโยมเท้าส ก, กะอยากจะมาบวชก็บวชไม่ได้นะเป็นเป็นมนุษย์ก็ดีนะมันก็บวชบวชได้นะต้องมีศรัทธาด้วยนะไม่ใช่เป็นแต่มนุษย์อย่างเดียวนะถ้าอย่างในยุคต่อไปนี้เนี่ยก็คิดว่าสวรรค์น่าจะดีกว่านะแต่ทีนี้จะสวรรค์ยังไงนะอาอตมาชอบใจ มติของท่านพระอาจารย์วิญยาลังการตีกาที่ท่านแต่งเป็นคําปาถนาของท่านไว้นะคือท่านเป็นพระภิกษุในประเทศพมา่าท่านก็ได้บวชจนตลอดชีวิตแล้วก็ได้มีโอกาสเขียนเขียนตีกาพระวินัยมาเล่มหนึ่งอธิบายาพระวิ น, ยนัยนะท่านตั้งความปาถนาว่ า, าหลังจากตายจากอัตภาพเป็นมนุษย์ซึ่งท่านพยายามบวชจนตลอดชีวิตเนี้ยเนี่ย นะก็ขอให้ได้เกิดเป็นเป็นเทวดาที่อยู่บริเวณต้นพระศรีมหาโพนะท่านต้องการจะไปอุปถากพระพุทธเจ้าที่นั่นต่ออันนี้ท่านวางแผนชีวิตยาวมากเลยนะต้องการไปเป็นรุกขเทวดาที่บริเวณรอบๆต้นพระศรีมหาโพลข้าพเจ้าพึงยินดีในการเจริญกุศลแล้วก็อนุโมทนากับคนผู้มา จเจรกุศลเพราะว่าคนที่มาตรงนั้นเนี่ยก็มุ่งหมายมาจเจริญกุศลอยู่แล้วมันบรรยากาศกุศลมันจ ะ, ะจะคุ้นเคยมากนะอยู่แถวๆนั้นน่ยโยมได้อุปถากต้นพระศรีมหาโพธิ์ได้อุปถากพระบรมสารีริกธาตุของพระบรมศาสด า, า, สานเนี่ยนะก็ขอเป็นเทวดาอยู่ตรงนั้นจนจนกว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าจะหมดหรือพระธาตุอันตรธานเนี่ยพอพระธาตุอันตรธานแล้วข้าพเจ้าเพ่งไปไ ป, ไปเกิดเป็นเทวดาณแนะดนป่าหิมพาน นะ แ, แถวแถวภูเขานั้นถ้ามู ล, ลกะนะขอให้ได้อุปถากพระปัจเจกพระพุทธเจ้านะเราก็ขอให้ได้อุปถากพวกเราฤาษีผู้เป็นกรรมวาทีถ้าไม่มีพระปัจเจกแต่ว่าพระปฏิจเจกนีก็ต้องมีอยู่เรื่อยๆถ้าไม่มีศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านก็จะขอเป็นเทวดาไปอยู่กับพระปัเิเจกพระพุทธเจ้านะได้อยู่ใกล้ชิดได้สนทนาธรรมได้ฟังธรรมสั่งสมอย่างแน่ยงแต่ความคิดหนึ่งที่ท่านไม่ทิ้งเลยก็คือ อย่าได้ยินดีน้อมไปในกรรมมคุณทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเทวด า, าแล้วจะต้องการนางฟ้าเป็นพันเป็นโกดม <c oughs> ันแวดล้อมนายโยมท่านต้องการเป็นเทวด า, าเดียวดาที่อยู่กับบัณฑิตอยู่กับพวกนักบวชนะสั่งสมวิยาสัยในเน่ขมมาให้ยิ่งยิ่งขึ้นนะนะก็ขออยู่แค่เนี้นะพอตายแล้วก็ขอให้ซ้ำภูมิซ้ําภูมิอยู่นั่นนะนะซ้ําอยู่กับมีพระปเจดกพระพุทธเจ้กกจามีฤาษีผู้เป็นกรรมวาทีนั้นก็ขอซ้ําอย่างเนี้ย นะเมื่อใดพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบา ร, รมีครบถ้วนนะในคราวที่โลกมันก็ขึ้น ข, นขนลงๆเนล ง, ลงลยนะจนกระทั่งลงมาจนถึ ง, ถงมนุษย์อายุแสนปีพระเมตยะโพธิสัตว์ตักสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านอธิษฐานจิตขอเกิดเป็นมนุษย์นะแล้วก็ให้ระบวตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล็กนะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมนะตั้งใจรักษา ป, ประพฤติปฏิบัติธรรมรักษาศีล น, นะ เป็นผู้ยังพระาศาสนาของพระาศาสนาพระองค์นั้นให้งดงามข้าพเจ้าเพิ่งได้รับการพยากรณ์จากสำนักของพระเมตตยะพุทธเจ้าพระองค์นั้นว่าในอนาคตท่านผู้นี้จะได้ตัดสิรูเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้คือท่านวางแผนชีวิตของท่านอย่างนี้เหรอเพราะฉะนั้นก็คงคงให้ประเด็นเท่านี้และให้อาจารย์ท่านอื่นได้แสดงประเด็นบ้าง มุนจ้าก็มุนไม่รู้ประเด็นไหนเลยผมฟังเรื่องนี้ผมเลยตื่นเต้นเลยมันกทียกันนมนุษย์กับสวรรค์ในเดียวอ๋อคือปกติผมผมเป็นคนชอบฟังเรื่องแบบนี้พอฟังแล้วเมื่อกี้ก็เลยตื่นเต้นเลยลืมประเด็นเลยคือถ้าเรามองอย่างนี้เราจะเห็นว่าพระเทพรักษ์เก่าเนี่ย ที่ที่ตั้งจิตปรารถนาเนี่ยโดยมากเป็นผู้ที่ทรงคําสอนแล้วโดยมากจะแตกฉันในพระไตรปิฎกกราษและดีกาดิชมนันมากเลยนะบุคคลเหล่านี้ค่อนข้างที่จะปรารถนาในการที่จะหลายๆท่านก็ปรารถนาในความเป็นพระพุทธเจ้าปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทีนี้ถ้าเรามองในลักษณะ น, นี้การปรารถนาสังเกตดูไหมว่าท่านจะไม่ค่อยบุ่มบา่ามตรงนี้นะตรงนี้ต้องชัดเจนะ และการปราถนาของท่านเนี่ยท่านจะปรารถนาแบบค่อนข้างที่จะไม่ใช่ประกาศโดยทั่วทไปเว้นแต่กลุ่มผู้ศึกษาดีและฉลาดอะยโดยมากกัมภีร์ยของท่านโดยมากจะปรากฏมาก็หลังอย่างที่ท่านมรณภาพไปแล้วถึงจะเห็นร่องรอยอย่างการที่ท่านจะมีบันทึกท้ายแนบเข้าไว้ในกรณีอย่างการปราถนาโดยมากจะไม่ปรารถนาในตอนเบื้องต้นที่ท่านนั่นเลยทีเดียวเพราะมันมันมันเสี่ยงอัตราเสี่ยงสูงเหมือนกันตรงนี้ก็ความระมัดระวังี่สูง เพราะว่าบางทีมันมีผลดีพ้นเสียในกรณีการให้คนเข้าใจผิดได้จริงจริงถ้าเราดูอย่างอย่างหลายๆท่านที่ท่านปรารถนาอย่างบางบางองค์เนี่ยท่านจะบอกว่าข้าพเจ้าพึงเป็นผู้ที่ใครๆข่มเหงไม่ได้พึงมีโภค้าพึงเป็นผู้ที่ไม่พ่องได้โพกัสทัพย์ทั้งหลายเป็นต้นแล้วก็ข้าพเจ้าเนี่ยพึงเลี้ยงดูมารดาบิดาโดยชอบเป็นผู้นอบน้อมแต่ผู้เจริญมีอุปการะมากตามหน้าที่ การต่อมาก็ว่าข้าพเจ้าพึงได้เข้าเฝ้าพระนาถเจ้าพระนาวมเมตย ะ, าาะาาได้บูชาเฉพาะอัตภาพของพระเมตยะนั้นพึงได้รับคําพยากรณ์ที่แน่นอนว่าผ้นี้จะเป็นพระเจ้าในอนาคตแน่นอนเนี้อย่างนี้ก็เป็นคมภีร์่างจะ่ขั้นรจนาคมภี์ท่านกรปราถนาแล้วก็กรณีอย่างนี้ก็คือว่าท่านบอกว่าถึงแม้ข้าพเจ้าจะถูกตัดศีรษะถูกตัดมือตัดเท้าถูกเชื้อดเนื้ออยู่ ข้าพเจ้าก็พึงมีความอดทนพึงตั้งอยู่ในสัจจาทิฏฐานที่จะกระทําต่อไปและเป็ผู้ประกอบด้วยเมตตาและอุเบกขาอันนี้แปลว่ามีความชัดเจนในปัญญาที่เข้าไปรู้ในเรื่องของกรรมและผลของกรรมและท่านก็บอกว่าข้าพเจ้าจะกระทําการบริจาคใหญ่ห้าประการใช่ไหมจนถึงทานแนะบริจาคาเป็นต้นจนถึงให้ชีวิตอย่างนี้นอันนั้นแปลว่าท่านท่านก็ตั้งใจว่าท่านจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าถ้าเรามองอย่างนี้ ในชั้นของคําสอนพระเจ้าเนี่ยจากประเด็นที่ถามมาถามว่าเกิดเป็นมนุษย์กับเป็นเทวดาเนี่ยความเห็นก็จะสอดคล้องกับทางท่านอาจารย์มหาสุพลว่าถ้าในยุค ป, ปัจจุบันที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังชัดเจนอยู่แต่ถ้าล่วงการนี้ไปแล้วเนี่ยการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยอัตราเสี่ยงสูงใช่ไหมเพราะว่าความที่พระศาสนาบุคคลที่จะรู้คําสอนของพระบรมศ า, าสดาก็จะล่อยหล่อลงล่อยหลอลงและเราจะมาเรียนรู้จากใคร สิ่งที่จะคําถามตรงนี้เป็นประเด็นตามมาที่ทําให้เราต้องต้องฉุกคิดกันอย่างแรงก็คือว่าและตอนเนี้เราจะตั้งท่าทีวางใจยังไงในการที่จะเริ่มระดมสัตตินซีวิริยินรีสติินซีสมาติน ซ, นซีและปัญญินรีเนี่ยให้แข็งแกร่งอย่าลืมในอินทรีห้าเนี่ยศรัทธาวิริยสติสมาธิและปัญญาเนี่ยต้องตั้งอยู่บนฐานของกุศลศีลซึ่งถ้าเชื่อมโยมเมื่อตอนเช้าก็จะเห็นตอนที่ตอนที่อาจารย์สุรพงศ์สรุปคําว่าศีละนะใช่ไหม ที่เป็นอุปัฏารนังสับสับข้างหลังไม่ใช่ไม่ใช่สมาทานังที่บอกว่าเป็นสภาพที่เข้าผู้ไปทรงทรงไว้ซึ่งคุณธรรมเบื้องสูงเพราะถ้าหากว่ากุศลศีลไม่ดีพอในทางด้านของของด้านของจารีศีลและวารีตศีลเนี่ยนะไม่แข็งแกร่งในการที่จะเดินให้ต่อเนื่องในกระแสของกายกรรมวิจิกรรมโนกรรมที่เป็นกุศลศีลอย่างต่อเนื่องและยังแข็งแกร่งได้จริงสภาพของศรัทธาที่มั่นคง วิริยะที่มีความเพียรพยายามที่จะไม่ยอมรับการมวิตกพยาบาทวิตกและหิงสาวิตกไว้ในตนแล้วก็สติคือการตามที่จะระลึกมั่นที่จะทำลายมุตัสติการหลงลืมสติสมาธิก็คือกำจัดความฟุง้งซ่านปัญญาก็คือกำจัดกลุ่มสัมโมหะคือความมืดบอดแห่งจิตตรงนี้จะตั้งอยู่ได้หรือจะเข้าไปเจริญได้ก็อยู่บนผู้ที่มีกายกรรมวจีกรรมที่ตั้งมั่นในศีลดีแล้วเท่านั้น แล้วก็ด้านของมโนกรรมก็คือความไม่โลภความไม่โกรธและปัญญาค่อนข้างดีแล้วอินทรีย์ห้านี่ก็จะแข็งแกร่งถ้าเราไม่สามารถปลูกฝังอัธยาศัยให้ชัดเจนให้มั่นคงเหมือนที่ทางท่านอญญาจารมหาสุพลพูดในเรื่องการว่ามีวัเถระ ท, ที่แต่งกัำพีวิเนะลังกาดีกาเนี่ยที่ในสัมยุคพมาที่ท่านวางแผนการชีวิตของท่านไว้กรณีที่จะมาเกิดเป็นเทวดาอุปถากต้นวสีมหาโพเป็นต้นไปนตามลาดับนี่แล้วก็ให้ไปอยู่กับพระบาเจกับพระเจ้าจนรอพระเสด็จย่ไม่ตายมาเกิดแล้วท่านก็มาบวช ในศาสนาของพระชินพรเจ้าแล้วก็ตั้งจิตปรารถนาถ้าเรามองอย่างนี้จะเห็นอะไรรึเปล่จะเห็นว่าหนึ่งการวางแผนชีวิตไว้ด้วยสองการมั่นคงในพระรตนาไตรยอย่างพวกเราในฐานะเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาก็ต้องเริ่มวางแผนชีวิตแล้วใช่ไหมอุดมการณ์ที่พระเถระทั้งหลายที่ท่านวางหลักการชีวิตของท่านไวอันนั้นก็เป็นแบบอย่างเพราะอย่างนี้ท่านเป็นสัตว์บุรุษท่านก็วางแผนชีวิตท่านเดินวิธีคิดของท่านไม่ใช่เดินอย่างเดียวท่านก็ประกาศออกมาให้เราเป็นประโยชน์กับพวกเราด้วย ในฐานะที่เราจะเดินทางใช่ไหมในสังสารวัตรที่ยาวไกลเนี่ยแล้วก็มมองดูว่าการเกิดเป็นมนุษย์ดีแน่ตามพุทธพจน์เนในขณะที่ศาสนาของพระพุทธเจ้าเพราะว่าในในคำสอนตรงเนี้ยหนึ่งการได้อัตภาพมนุษย์ก็เป็นของยากนั่นจริงและการได้ฟังพระสัธรรมการใน่ไหการที่การอุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าการพระพุทธเจ้าแสดงธรรมการได้ฟังพระสัทธรรมการจะรู้ทั่วถึงมันจะเชื่อมโยงกันไปหมดเลยใช่ไหมในชั้นของพุทธพจน์ตรงเนี้ย เราก็จะเห็นว่าถ้าเป็นมนุษย์แต่ในยุคที่คนมืดบอดเต็มไปหมดถามว่าเราจะเป็นคนแข็งแกร่งรู้กรรมและผลของกรรมได้จริงเฮ้ยตรงนี้ก็เรื่องน่าคิดเลยตัวเนี้ยเพราะเราก็มาแล้วเราก็กลายเป็นคนชั่วสิถ้ามาอย่างงั้นใช่ไหมก็ลองคิดดูนะลองน้อมนึกถึงตนเองเนี่ยตั้งแต่เกิดมาใหม่ๆเราเป็นคนใฝ่ายดีตั้งแต่ห้าขวบรู้ไห ใช่ไหมไฟดีขนาดที่โอ้โหก็ได้ยินคําว่าพุทธโธแล้วตื่นเต้นขนพวกขนลูกข น, น, นพองไงเคยเป็นอย่างงั้นไหมคืออยู่ในบ้านไม่ได้เลยใจจะขาดเลยอยากจไปเฝ้าพระเจ้าอย่างเงี้ยหรือเนี่ยมันไม่เคยคิดอย่างนั้นไหมหรืออย่างเช่นอนาถาปิณิกาเสถียะได้ยินว่าพราะพทธเจ้าแค่นี้ยโอ้โหนอนไม่หลับแล้วยันปฐมยามก็นอนไม่หลับทุติยามมะชิมยามยันปัจฉิมยามอยู่ไม่ได้เลยเนี้ยนะต้องรีบเดินออกมามีแสงสว่างออกในตัวได้ด้วยเนีย เราได้ยินพระรัชญามาตั้งแต่เล็กใช่ไหมก็ยังไม่เฉยๆออันนี้บ่งบอกอะไรเนี่ยบ่งบอกถึงอัธยาศัยที่เราไม่มั่นคงฉะนั้นถ้ารู้ว่าตนเองไม่มั่นคงตอนนี้ก็เพิ่มเสียเพิ่มในการทั้งฟังทำทั้งใค ร, คร่ครวญเมื่อทำทั้งศึกษาคําสอนให้ชัดแล้วก็ตัดความกังวลเรื่องอื่นให้เยอะใช่ไหมยิ่งมานับตัวเลขอายุมันมากขึ้นมากขึ้นเลยแล้วก็ยิ่งน้าคิด <c oughs> ใช่ไหม น่าคิด ว, ว่าชีวิตถ้ามันลมหายใจขาดขึ้นมาแล้วก็แย่สินี่ยแล้วเราจะมาศึกษาก็ทํำได้ไงต้องตามท่านอาจารย์สุติจะรอสอนไหมท่านก็คงจคงไม่เอาเหมือนกันใช่ไหมทุกคนต่างก็ต้องทําหน้าที่ของตนเองแล้วตัวเนี้ยว่าที่พ้ามาสอนพระก็มาเจริญกุศลกันใช่ไหมเพราะจบปิด ก, กิจกรรมนี้จบทุกคนก็ต้องเร่งความดีขึ้นแต่ละบุคคลเพราะมันก็จะตัดขาดตรงนี้เลยนะชีวิตเนี่ย เพราะในส่วนจริงกูสนกว่าจะได้กลับมาเดินขึ้นมาใหม่ก็ไม่รู้จะมีการจัดกิจกรรมในการฟังธรรมอีกหรือเปล่าก็ไม่ทราบไม่รู้ผู้จัดจะยังมีศรัทธาต่อเนื่องหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเพราะศรัทธาก็ไม่แน่เพราะศรัทธาผู้แต่ละบุคคลก็ต้องรักษากันเองใช่ไหมเหมือนกับที่ว่าใครนะนางสุ ป, ปวาษาที่บอกว่าเป็นนิมนต์พระเจ้าแต่ว่าผนิมนต์ไม่ได้ก็เลยบอกว่าเอ๊ะเนี่ยแล้วชีวิตใครจะดูแลใครจะรักษาทรัพย์ใช่ไหม จะหมดไปเท่าไหรก่ก็จะหมดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตนเองจะทำํำบุญแล้วประ ก, รกันสํำการนี่ศรัทธาใครจะดูแลให้พ ร, พระโภคาราณะหรื อ, อยังไงก็อบอกว่าท่านรับประกันแค่สองอย่างได้เช่นท่านตรวจสอบดูแล้วชีวิตยังไม่ตายภายในเจดวันนี้เป็นต้นและทรัพย์ของท่านก็ยังไม่วิบัติแต่ศรัทธาท่านต้องดูแลเองตรงนี้ก็เหมือนกันพวกเราก็ต้องมานั่งคิดว่าศรัทธาเนี่ยมันขึ้นลงทุกขนาดจิตใช่ไหมเพราะศรัทธาเป็นโสภณธรรมเกิดร่วมกับกุศล ทีนี้ถ้าคนที่กุศลจิตเกิดมากหน่อยศรัทธาก็พลอยอาศัยเกิดได้ดีหน่อยแต่ถ้าคนที่กุศลเกิดได้ยากและเกิดได้ไม่ค่อยฉลาดในการที่จะให้กุศลเกิดเลยใช่ไหมเป็นคนที่มักจะคิดบาปได้เร็วแต่คิดบุญได้ช้าเนี่ยบางคนเป็นอย่างนั้นจริงๆนะพลอยคิดบุญเนี่ยคิดช้ามากพอพูดเรื่องบุญก็พูดไม่ค่อยออกแต่พูดเรื่องบาปนี่คล่องเลยถ้าให้ไปด่ากัใครหุด่าคล่องมากอย่างนี้นะหรือไปคิดเรื่องไม่ดีกับใครเนี่ยคิดได้เป็นชั่วโมงสองชั่วโมง แต่พอจะคิดบุญหา้านาทีคิดไม่ออกแค่จะมาเขียนคํามาสักหน่อยเขียนไม่ออกนั่งจดมือเป็ น, ปน Q, ตะิวียวจะให้เขียนปราณนาตําหนีคุณของใครออตําหนีใครเนี่ยหัวเขียนในคล่องเลยหรือคำพูดก็เหมือนกันนี่บ่งบอกอะไรนี่ยบองบอกใจก็เมื่อเราเนี่ยมันน้อมไปในเรื่องไม่ดีมากกว่าตอนนี้ถ้ารู้อย่างนี้แต่ละคนก็ต้องก็ต้องตั้งท่าทีให้ชัดแล้วก็ต้องรีบระดมเลยอันนี้เขาฝากไว้ตรงนี้เลยเข้อต่อไป ก็เท่าที่ฟังท่านอาจารย์มาคือว่าถ้าช่วงที่ยังมีพุทธศาสนาอยู่นี่นะครับเราก็เกิดเป็นมนุษย์ก็ดีกว่านะครับเพราะเป็นโอกาสแห่งการบําเพ็ญบุญของเราได้ง่าย <c oughs> แต่ถ้าเราไปมุ่งหาความสุขนะครับก็อธิษฐานไปเกิดในสวนรรค์กัแล้วกันนะครับ <c oughs> <c oughs> ถ้ามุ่งหาความสุขในเรื่องการบุณนะครับแต่ถ้าเรามุ่งที่จะบําเพ็ญบารมี รเราก็ควรที่จะมาเกิดในมนุษย์นะครับเพราะว่าการบัคุณในสวรรค์เนี่ยปราณีดกวาด่ามนุษย์มากแต่ถ้าเราจะมาเป็นบา ร, รมีต่างๆอย่างประวัติพุทธเจ้าเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็จะเกิดเป็นมนุษย์นะครับสซะส่วนมากนะเท่าที่เราได้ยินได้ฟังกันมาแม้ว่าไม่มีพุทธศาสนานะครับในสมัยพระเวสสันดรนชารดกนะท่านก็สามารถที่บำเป็นบา ร, รมีได้อันนั้นก็กรณีของพุทธเจ้าแต่ถ้ากรีของเราเนี่ยเราก็ควรจะอธิษฐานนะครับ เมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยให้ได้พบพุทธศาสนานะทุกครั้งลูกข่าวไปก็แล้วกันนะครับนะนะคือหมายว่าถ้าพูดถึงวิบากนะครับไ อ, ไอ้นั่นหมายว่าเสริมคือถ้ า, าถ้าใครปรารถนาการคุณยังไงว่าปรารถนากาปรปาณีก็ให้ไปเกิดเป็นเทวดาแต่ว่ามันไม่ดีนะครับนะ มมัันนไ่ดีะครบเมื่อกี้ที่โยมฟังท่านอาจารย์มหาสุพลนะเจ้าค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยแม้เกิดเป็นเทวดาก็ในภพชาติที่กำลังทำกุศลอยู่อธิษฐานให้มั่นคงไม่ติดนิกามาคุณเจ้าค่ะเสริมตรงนี้เป็นเทวดาก็แบบเทวดาปลอดภัยเจ้าค่ะ ในปัญหาข้อต่อไปนะครับท่านอาจารย์ เ, เมื่อทําบุญแล้วนะครับต้องปรารถนาในมรรคผลและนิพพานเท่านั้นหรือควรปรารถนาในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติด้วยครับที่มน<ม>ครับพระอ า, าจารย์พระอาจารย์สติบ้างครับ อ, <laughs> อันนี้มีข้อความอยู่ในมหานิเทศท่านสารีบุตรท่านยกมานะ หนัสือสวด ม, ดมนต์บางคนก็อาจจะเคยสวดนะทําบุญแล้วก็ให้มุ่งพระนิพพานอันนี้ก็เป็นอนธตยาไสยของบุคคลหนึ่งนะว่าถ้าบุคคลที่สะสมอินทรีย์สะสมบา ร, รมีมาถึงพร้อมเนี่ยก็จะเห็นว่าวัตฏะเนี่ยมันเป็นทุกข์พระบุตรเจ้าแสดงว่าพบแม้มีประมานน้อยเนี่ยก็เป็นทุกข์เปรียบเหมือนกับอุจจาระแม้เล็กน้อยก็เป็นทุกข์ ก็เหม็นนะนะังั้นสําหรับคนจะสมบา ร, ร, ร, ร, ร, รมีมาพร้อมก็จะมุ่งพระนิพพานโดยส่วนเดียวแต่ว่าก็จะมีอีกหลายที่ที่ท่านแสดงว่าบุคคลเนี่ยที่ยังมีอินทรีย์อ่อนนะการตั้งความปรารถนาไว้ในที่ใดที่หนึ่งก็เป็นสิ่งที่สมควรนะเพราะว่าการไม่ปรารถนานะก็อาจจะทําให้จิตนั้นย่อดหย่อนจนกระทั่งการ เปี่ยนว่าจะเกิดเนี่ยพบไม่ต่อเนื่องกันนะท่านแสดงว่าในอัตฉริย ส, สังขารูปปฏิสูตเนี่ยว่าธรรมะห้าประการก็หมายถึงอริยศัพหานะศรัทธาศีล ส, สุตาจาค้าปัญญาเนี่ยพร้อมกับความปรารถนาในชื่อว่ามัคคะปฏิปฏัฐามัคโคปฏิปัฐาเนี่ยนะบุคคลใดมีอริยศัพ์5แต่ไม่มีความปรารถนา คติของบุคคล น, นั้นไม่ต่อเนื่องปรารถนาในที่นี้หมายถึงว่าปรารถนาในภพภูมิที่เป็นสุกตินะมีแต่อริยทรัพย์แต่ว่าไม่มีความปรารถนาคติของบุคคล น, นั้นไม่ต่อเนื่องบุคคลใดมีความปรารถนาแต่ไม่มีอริยทรัพย์5ประการนั้นคติของบุคคล น, นั้นก็ไม่ต่อเนื่องกันบุคคลใดมีอริยทรัพย์ห้และความปรารถนาทั้ง2องอย่างคติของบุคคล น, นั้นจึงต่อเนื่องกันอุปมาห trial, เหมือนกับบุคคลที่ยิงลูกศรไปในห้วงอากาศ กำหนดไม่ได้ว่าจะเอาปลายหรือว่าเอาตรงกลางหรือว่าเอาโคนลงชั้นใดการถือปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นก็ฉะ น, นั้นเอาแน่นอนไม่ได้เพราะฉะนั้นการทํากุศลกรรมแล้วทําความปรารถนาในที่แห่งหนึ่งย่อมควรนะอันนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยอัิยาศัยให้หลายหลายบุคคลเนี่ยนะตั้งความปรารถนาก็เนื่องจากการที่เรายัางสั่งสมอินทรีย์ไ ม, ไม่ไม่พร้อมพอแต่ว่าถ้าไปดูใน พุทธพจน์สังขารูปรปฏิกสูตรเนี่ยท่านไม่ใช่เพียงให้ทั้งตั้งความปรารถนาในภพเท่านั้นนะเพราะว่าการแสดงธรรมของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเนี่ยถ้าแสดงเบื้องต้นต้องรู้ว่าเป็นไปเพื่อท่ามกลางและที่สุดถ้าแสดงในท่ามกลางท่ามกลางก็คือเรื่องของสมาธิใช่ไหมนะศีลเป็นเบื้องต้นสมาธิเป็นท่ามกลางนะครับปัญญาเป็นที่สุดเนี่ยนะดังนั้นเราก็จะต้องรู้ว่า แม้ให้ตั้งความปรารถนาแต่ว่าก็เพื่อที่จะอบรมอินทรีย์ให้เบี่ยบริบูรณ์เพิ่มขึ้นเพราะว่าในที่สุดเนี่ยตั้งแสดงว่าการอบรมอินทรีย์หประการเนี่ยควรจะต้องเป็นไปเพื่อเจโต ว, วิมุตติและปัญญาวิมุตติแต่เพียงแต่ว่าบุคคลนั้นๆอย่างอินทรีย์ไม่พร้อมพอเพราะฉะนั้นก็ควรจะตั้งความปรารถนาไว้ในภพภูมิซึ่งถ้าเราไปเกิดในสวรรค์แต่เราไม่ได้อบรมอินทรีย์บารมีหรือว่ามีเห็นโทษของกลางมา ไปเกิดนี้ที่นั้นนี่โอกาสเกิดในอบัยภูมิได้ไหมก็ได้หรือว่าไปเกิดแล้วไปเจอกับเทวดามิจฉาทิฏฐินะโอกาสที่จะทําบาปได้ไหมก็เกิดในอบัยภูมิได้เพราะฉะนั้นการตั้งความปรารถนานี้ก็สําคัญนะการตั้งความปรารถนานี้จะเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่จะทําให้อธิษฐานบารมีมีกําลังนะเพราะอธิษฐานนั้นก็หมายถึงว่าการไม่เปลี่ยนแปลงความคิดเห็นการประพฤติการกระทํานั่นเอง ในการที่จะอบรมเจรังโกสนเพื่อจะออกจากวัตฏะเนี่ยมันก็ควรตั้งความปรารถนาไว้ด้วยนะในเมื่อเรายัางคิดว่าจะปรินิพพานในชาตินี้ไหมเนี่ยนะถ้ายังไม่คิดปรินิพพานในชาตินี้ก็ตั้งความปรารถนาไวเ้เถอะก็ไม่มีโทษอะไรตั้งความปรารถนาหลายๆอย่างก็ได้ใช่ไหมนะเพื่อพระนิพพานด้วยอย่างท่านพระอานุรุทะในอดีตนะท่านเป็นลูกจ้างเขาชื่อว่าอนนภาระ